ต่อจากม่วนที่ห้าตามลำดับโปรดตั้งใจฟังต่อไปม่วนที่หกนี้พ อ, อย้อนกล่าวสมัยที่อยู่ทั้าจันเพื่อให้ประวัตินี้บริบูรณ์ตามเป็นจริงคือว่าสมัยที่อยู่ทั้าจันร่วมกับหลวงปู่บัวนั้นได้สนทนาธรรมเพื่อเป็นการเรียกเปลี่ยนความรู้ สำคัญละกันและท่านหลวงปู่ท่านก็นำไปพิจรารณาจากนั้นใกล้เข้าพรรษาท่านหลวงปู่กักบสํานักเดิมคือวัดว่า น, น้องแตงนั่นเองและภายหลังท่านได้พิจรารณาตามธรรมชาตัสสาสนทนาสำคัญละกันท่านว่าท่านได้กำลังมากที่สุดและตามข่าวที่พระ ลูกศิษย์ของทัานมาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่อยู่ทําจันท์นั้นนินักฆ่าไม่ได้ท่านจวนอยู่ร่วมด้วยจะเสียเลยดังนั้นแบกชมชวยในธรรมศาสตาซึ่งกันและกันท่านว่าท่านหายสงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ลูกศิษย์ท่านในเล่าให้ฟัง ข้าพเจ้าก็ร้อยอานโมทนาสาการยินดีกับท่านด้วยแต่ข้าพเจ้าก็ไม่มีคุณธรรมอะไรไม่มีคุ้มธรรมอะไรข้าพเจ้าก็เป็นพระภิกษุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยากธรรมดาธรรมดาหนีหนักชาติหนีหนันของคนเรานี่เองแต่หากได้จําคําสอนของ คูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาแต่สะดับจับบำบาตามสำรับตำราและตามครูบาอาจารย์เท่านั้นมาสนทนากับทานหลวงปู่ไม่ใช่สมบัติของข้าพระเจ้าเ้ยเมื่อจำมรรษาอยู่ท่ำจันใด่สี่พรรษาแล้วพวกประชาชนก็พาคนแตกเติมเข้าไปทั้งบ้านเพราะที่ท่ำจัน เป็นที่ทำเลทำมาหาสินสะดวกดีเมื่อบ้านได้ตั้งเป็นปึกแผนแน่นหนาแล้ว้าพเจ้าเห็นว่ามันจะคุกคลีเกลยโยกย้ายออกจากทั้งจันทร์มานิเวกที่ภูสิงส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามานั้นมีแปลกๆเช่นเขาใส่ร้ายปลายสีว่า เป็นคอมเนตหรือเป็นหัวหน้าคอมนต์ตันหรือเป็นหนัวนาาคอการไายนั้นมีอยู่ในสำคัญเกิดขึ้นในสมคันเมื่อข้าพเจ้าได้มาถึงคูสิงแล้วก็ให้ยมพาตรวจดูสถานที่แห่งหนึ่งเห็นว่าสถานที่นั้นเป็นที่พอที่จะหลบหลีกตัวยุกช่อนนี้อยู่ได้ เพราะไม่น้ำชับอยู่ที่นั้นมีแองน้ำเป็นน้ำจับธรรมตาต้ไม่ขาดตลอดกระดูจึงตกลงได้แวกอยู่ที่ภูสิงไปอยู่ที่แรกอาศัยตามร่มไม้นอนตามร่มไม้และคุณหมอประพัโสรศกินดาสมัยนั้น มาประจำอยู่ที่อนณาใหม่เมืองการติดตามไปด้วยไปนอนอยู่ร่มไม้ด้วยกันและในผู้สิงนี้วิเวกสงบส ง, งัดดีทําคุณเพียรดีมากอาในฤตูขันตามีพระสององค์เนนหนึ่งและก็ผ้าขาวเท่าคนหนึ่งพระคือตัวข้าพเจ้าและท่านพระอาจารย์สอน ส่วนพระขาวเท่านั้นเวลานี้เขาก็มรณะภาพไปแล้วในภูสิงพางกันประรความภาคผียนโดยเต็มความสามารถของตนของตนและอยู่ในระหว่างกลางกันษานั้นมีแตกแปลกในภูสิงนั้นคือวันหนึ่งได้อากันเดินถึงเวลา พ, วพักขำทูเกิ่นเหม็นกินนี่ผิดปกติ เหม็นผมเดินจงกรมกลับไปกลับมาก็ถูกกลิ่นอันเหม็นอยู่เลยทักวิตกทักถามจิตขึ้นว่ากลิ่นอะไรแล้วจิตหนึ่งผุดขึ้นว่านี่เขาเรียกว่ากลิ่นเปรตแล้วตอบแพอุทิศคุณกุศลไปให้เขาจากนั้นก็หายทัานหายแล้วท่านพระอาจารย์สอนท่านก็ได้กลินเช่นเดียวกันพอตอนเช้า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 พวกเธอมาอยู่นี่ทำไมเขาว่าพวกเขานั่นเป็นเปรดมาอยู่นี่มีแต่ผ้านุ่งเบื้องล่างต่วเบื้องบนไม่มีผ้าปิดกายเลย่วยกยว่ไหวเป็นผู้หญิงทั้งสองคนข้าพระเจ้าเลยย้อนถามเขาอีกว่าเป็นเปรตเพราะเหตุใดเป็นเปรดเพราะว่า เมื่อสมัยเป็นมนษุษย์พวกข้าพระเจ้าที่น้องทั้งสองนี้อากันเอามอนเอาไหมามาต้มแล้วก็สาวเอาไหมไปทำผ้าด้วยบุพกรรมอันนั้นจึงให้มาเป็นเป็ข้าพระเจ้าละย้อนถามว่าชื่ออะไรแต่ก่อนที่เป็นมนษุษย์เขาก็ตอบว่า ข้าพระเจ้าผู้พี่ชื่อว่านางสาวทาผู้น้องชื่อว่านางสาวสีแล้วต่อจากนั้นก็เลยตื่นจากนิมิต ร, รูปนั้นก็เลยหายไปข้าเจ้ามาพิดเจรนาว่าโอ้การทำลายสัตว์นี่มันเป็นบาปจริงนั่นแหละในขณะที่อยู่ ยามจ่าูติ่งนั้นมีแฝงแบบบางครั้งบางวันผ้าขาวที่อยู่ด้วยแกมาเล่าให้ฟังว่าเวลากลางคืนผมเดินจงกรมเห็นเป็นเงาคนไม่มีหัวมีแต่คอเหมือนคนคอขาดเดินเทียมผมไปก็มีบางครั้งมาตกฝาผู้ติใส่ผมก็มีผมด้เตื่นขึ้น มองดูไม่เห็นถ้าไปเดินจมกลมก็เป็นเงาตะคุกตะคุกเดินเทียมไปด้วยนี่ผ้าขาวเท่าเราให้ฟังจะเป็นจริงหรือไม่แกก็เล่าไปตามความเห็นของแกนั่นเองจากนั้น <c oughs> เมื่อจำา่าฟูสิงเสร็จแล้วออกปันษาท่านอาจารย์สอนท่านกาไปหาเกษ ส่วนข้าพเจ้ากับเน้นหนึ่งพวกญาติจมบานนอนเสียดหูวันิมนให้ไปอยู่ท่ำบูชาข้าพเจ้าก็เลยไปกับเน้นไปสำรวจดูสานที่ัวชไปดูที่ทำพระที่หลวงปู่ันอนารอยโยท่านได้ส้างพระไปเห็นว่าเป็นที่ยังไม่เหมาะ มแล้วข้าพเจ้าจึงเดินทางมาสวดดูที่ธรรมบูชาเห็นว่าธรรมบูชาเหมาะดีกว่าธรรมพระจึงได้ตกลงใจตักเวกอยู่ที่นั้นที่แรกไปอยู่ยากที่จะเดินตะบาดถึงเพราะธรรมบูชากับหมู่บ้านดอนเจ็บห่างกันประมาณเจ็กิโล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 เขาต้องส่งเรียงอาหารเออเขาลำเลียงกันส่งเจ็บวันต่อครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เนนหูต้มเอาผักปานั่นแหละเป็นอาหารมีพิกมีปลาทาุกเข้ากันแล้วก็หาเจ็บผักหนาเจ็บยอดคาหรือยอดไหวมาต้ม มาแข่งฉันอ่อเยียวยาสภาพชีรุตไปกั่ ว, วันหนึงหน่งๆที่นี่ต่อมาเมื่อญาติยมเขาเสร็จจิดในการงานเขาคือเก็บเกี่ยวเก็บข้าวเสร็จแล้วก็เลยพาญาติยมตัดทางจากบ้านดอนเสียขึ้นตัวตัมบูชาให้รถและเปลี่ยนเดินได้สะดวก การบุกเบิกทา ง, 7. 7. องอยู่เจ็ดต่ออยู่สามเดือนจึงสำเร็จลดขึ้นได้จนเป็นทางเดินได้สะดวกตลอดปัจจุบันเดี๋ยวนี้สมัยไปอยู่ปูวนี่ก็ถูกไปเจ้านาซีสอดแนมอยู่บ่อยๆเขายังไม่ไวใจสนิทและข้าพระเจ้า สกลงก็จำพรรษาที่ทำบูชาผู้วสสัสามพรรษาที่แรกทำบูชาผู้วัวนี้มีพระโยอ้าองค์ลามันเณรหนึ่งองเท่านั้นและผู้สิงก็มีพระอยู่องหนึ่งในพรรษาที่สามผู้สิงท่านพระอาจารย์เจงไปอยู่ข้าพระเจ้า ไปอยู่ที่สัมบูชาเป็นปส 2,506 นี่แหละมาอยู่ผู้ชิงปส 2,505 แล้วยกย้ายไปผู้ว่าธัมบูชาปส 2,506 ในระหว่างปส 2,507 มีเหตุผู้เอินขึ้นอีกในผูชิงนี่ถ้าไม่เราประวัติจะไม่สมบูรณ จึงขอเล่าเรื่องหเหตุบังเอิญในฝูงสิงให้ฟังเอินในพศ2507 508ต่อกันแล้วก็ท่านพระอาจารย์เทิงเ ต, เต ส, สะตรรูเวลานี่ท่านก็มรณภาพแล้วท่านอยู่ที่นั้นในฤดูแล้งระหว่างพศ2508 ท่านว่าจะอยู่จำารรษาที่ฟูสิงท่านอยู่นั่นทีนี่ในสมัยนั้นที่ฟูสิงใหญ่เอาเล่าคือว่ามีพวกก่อการร้ายมาสร้างสมอยู่ที่ฟูสิงใหญ่ทีนี้ฟูสิงน้อยกับฟูสิงใหญ่ติดกันไปเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเคยกลัวว่าพระจะเป็นอันตราย เขาเลยนิมนต์ให้พระรงจากปูสิงน้อยไปจำพรรษาที่อจำเป็นขัานพระอาจารย์เจงก็รวยรงไปจำพรรษาร่วมข้าพระเจ้าที่ขับโมทารเมืม่อพระอาจารย์เจงลงไปไม่กี่วันประมาณสี่ห้าวันพวกเจ้าหน้าที่ไปบ้านเมืองของเราเองขึ้นไปสํารวจที่สํานักสง ดูจำาามาแล้วสองสีห็นว่าที่กุฏิพระคือสะทอะ้อนพจะเป็นที่อาศัยของพวกขอการได้ก็กลงพวกเจ้าหน้าที่ฝลายบ้านเมืองของเราเนี่ะพวกราชเวีสมัยนั้นก็เลยเอาไฟจุดกุฏิพระหมดทุกลมแม่องน้ำปรทุกขึ้นแม่เครื่องเคือ่องฝนกิกไว้ ในวัดเช่นมะม่วงลำไยและมะนาวมะพร้าวตลอดถึงกล้วยและสนละกอไรพริกเรานี้แหละเขาทำลายหมดตัดทิ้งหมดแม้แต่น้ำบอ่อเขาก็ถมและทำลายอีกด้วยส่วนกุฏิพระที่อาศัยเขาเผ า, า, ากันหมดทำลายกันหมดไม่มีแล้วหรอ แม้บริหารของข้ายังไม่ประเจ็บเอาเช่นอาตวอนและหนังสือตลอดถึงคุดเรู้ก็ถูกไปเผาในสมัยนั้นและก็ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าพวกทหารฝ่ายบ้านเราน่เองมาเผาดังนั้นและก็เรื่องนี้ทาพระเจ้าก็ไม่เอาเรื่องอะไร ปอยให้เป็นไปตามหนาทีของเขาแล้วแล้วกันเท่านั้นอทำทำอขอบาปแก่ผู้ทำกรรมแก่ผู้ก่อปิ่นต่างหากเราไม่มืเรื่องอย่าไปกออความเดือร้อนและคุ่นภายให้แก่ใครเมื่อจำมัรษาที่ทูวรเริ่มแต่สองพันห้าร้อยหกห้าร้อยพรษาห้าร้อยแปด ห้าร้อยเก้าชักจะมีอันตรายสิ้นแล้วเออพรรษาห้าร้ อ, รอยเก้านี่เองอ่ะปีที่น้ำท่วมแม่น้ำผมขึ้นมากนี่อ่ปีนั้นวังมันไปยนระเบิดที่ทำนิสาหกลูกระเบิดทำลายอาภิเษกวัดโดยครมเม็ดยี่สิบ วัดโดยยาวเม็ดยิย้ในลูกก็เบิดทำลายนั้นซึ่งไม่ห่างจากท้ำปูชาและไม่ห่างจากลมฉันในคืนวันนั้นฝ้าฝนตกและป้าปอกะนองคือลมเขาซึ่งลมแตกแต่ลูกหนึ่งเป็นลูกก็เบิดปล่อจนลูกก็เบิดห้าลูกทำลายนั้นไม่แตกสตู่ป และก็ไม่มีใครได้ยินเสียงในขณะนั้นต่รู้ว่าเขาขึ่นตูกระเบิดอยู่มาสามวันติดกันนั่นแหละโยมขึ้นไปจังหันและฤดูนั้นเป็นฤดูที่ฝนกำลังจะเริ่มตกจะเป็นเดือนมิถุนายน เ, เดือนเจ็ดโยมเขาไปหา Hết, เจ็บเหตุเเลยไปเห็นลูกกระเบิดเมื่อยอมเห็นลูกกระเบิดเขาจึงมาแจ้งให้ตาตาหากระไรจิตวัดดูเขาว่าเป็นกระเบิดทําลายมีอยู่ห้าลูกเขาจะมาวางมาปลดเพื่อสิ่งใดให้ต่บ <c oughs> แล้วข้าพเจ้าก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเขาตายงานประัำ อำเภออำเภอก็รายงานไปถึงจังหวัดและรายงานก็ถึงกรมทหารจีนอุดอรให้พลังเขามาทําลายพรังเขามานอนทําลายถูกกะเบิดทั้งห้าหรูนนั้นนอนสองคืนที่สัมบูชาเขาเอาคอปเตอร์ไปรวมที่ฟารานเห็นหลังสัมบูชานั่นเองก็จะนั้นมาปศสองพันห้าร้อย อาพระเจ้าก็ดได้รับรายงานจากเจ้าคณ ะ, ะจังหวัด น, นำงคายว่าให้พระทิโรธรรบุชาผู้วัวโยกย้ายหนี้จากผู้วัวเพราะเวลานี้ทางบ้านเมืองเกิดความทุกเปินอว่าจะเป็นอันตรายแต่พระเจ้าประสงคฉะนั้นจึงข อ, งมอนมญให้ปกทัน ในจากทัพมุตาย่ายู่ให้ลงไปจำบัตตาที่แห่งหนึงแล้วก็ลงนามเจ้าคณะจังหวัดน้องขายสมัยนั้นแ็นท่นานเจ้าคุณเชรบันเดชข้าไปเจ้าก็เลยพร้อมงูขนาและไม่ชีของจากทัพมุตาในเดือนกรกดาคมต้นเดือนกรกดาคม ใจจกล้จะต่อภษาอากันบุกนบุกตมบุก ค, คลไปเลยแล้วขาว้าพเจ้าก็ไปจาภาษาที่ทำฟองเตนร่วมกับหลวงปู่เข้าในคอสอบสองปันห้าร้อยสิบเมื่อจำภาษาทำองเตนก็ได้ฟังเศษปันคำผลนาปราิเสธดาหลวงปู่ ขาวคณะโยมที่วัดทับทองเกลืเมื่อออกพรรษากอธรรบุญอในระหว่างการพรรษากอธรรมบุญร้องอายุของหลวงปู่เมื่อออกพรรษาเสร็จจิตการงานงทางารรมเสลือแล้วข้าพเจ้าก็นมัตรการลาหลวงปู่กลับไปที่ที่ภูเวียง ได้เดินทางมาพักเกษ์ที่ปูตัวชั่วขราวประมาณหนงเดือนต่อนจากนั้นก็เดินทางมาพักฤกษ์ที่สุโก้ไม้อยู่ข้งแรกไม่อาปเจ้าและพระภูริธรรมวัตรในปูรุพระมกิจทุกประถมเบื้องการและมีภาคขาว น้อยคนหนึ่งอยู่ร่วมด้วยไม้อยู่ขั้นแรกอาศัยธรรมจิตเขาที่เป็นลงฉันต่อกับลงปัวนสมัยนี้ไม้อยู่ขั้งแรกเป็นป่าทึบรบชัดไม่ชัดป่านาน า, นานสนักนิมีช้างมีเสือมีงูใหญ่เลื่อยไปมาอยู่ ตามทำนั่นอากาศทึกและมาอยู่ข้างแรกก็อชักจะอดน้ำขาใส่น้ำผลสี่ยังค้างอยู่ตามอ่างหิงเมื่อหมดน้ำในอ่างหิ้งก็พากันับคายกระบอกไม้ไผไปเอาน้ำที่ถุนนาเขา ไปประมาณสองสามกิโลส่วนอาหารการกดฉันสมัยนั้นอาศัยบ้านนาํำแทนซึ่งอพยพไปเยู่ใหม่ประมาณตักติกว่ารังคาเรือนอาหารการกดฏฉันก็อยู่ในลักษณะที่ว่าขาดแคลนมากตามเงนตามได้พอเยียวยาอัร ภ, ภาพชีวิต ไปชัววันหนึ่งนั้นและมาอยู่ที่ถ้ำติ้นเขาปูทอกนี่นขหอยพอศ2512เมื่ อ, อย่างเข้าฤ ด, ดูแล้งภาคประจาก็ให้ญาติจอมตาดถ า, างที่ตึกให้เตียนกอได้มีอากาศเข้าไปและก็ให้ญาติจมเขาปิดทานกน้ำไว้หนึ่งแห่ง ในสีแรกเพื看看่อเก็บตามไว้และพระยาเชีมงขพร้อมเตรียงกันเอซีแรกอันในทีดูแลในที่ดูแลเอซีแรกนั่นแหละได้ปุกกระต๊บทั่วขาวขอได้อาใส่จำภาษาสื่อหลังมาจำจำคำัำภาษาที่คุชอบ ใอเสร็จสองันเลยจสองนั้นมีอยู่สามองแล้วก็ห่างกนไม่ก e ันคนอากันจำสัตวที então, antes, ่นั้นทำกำภาพเดือนเวลาพกข้าม่าเจ้ากระพื่ขึ้นบนเขาอาพามัดแล้วแล้วกรเพืนขึ้นตามเทือเขาเขาหวันตามรากไม้ เดินไปนอนดูชั้นที่ห้าทำพิหานาพระเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมน<อ>ป่าคืบมากแล้ว เ, <อ>เป็นขช้มที่ตัดสูอาศัยคือเรียงขาดูอาศัยและในระหวา่างทางภาษาเลยได้ตายมทำบันไดขึ้นชั้นที่ห้าชั้นที่ห ก, นหกจนสำเร็จ ทำหนึ่ทำบันไดขึ้ไนไปาทำประมาณสองเดือนกักสิบวันเป็นสังเกตเมื่อทาบันไดเสร็จในพรรษาสองพันห้าร้อยสิบสองนั้นที่นี่เมื่อถึงะดูแรง 2, รอ น, นในว่อสองพันห้าร้อยสามเดือนในปิดธนบดีนกเพิ่มกินอีกเพื่อนำและในพรรษา 2 5งนห้ารามนั้นมีศรัทธาตางประเทศเราเคยใาบุญชีวิอยู่นครเมืองจันท์ประเทศเรามีศรัทธาสร้างพระประธานไว้ที่ทำานีพระกันหาชิ้นเงินประมาณหนึ่งมบาทและก็มีศรัทธาต่างๆทยอยกันมา สร้างโรงสันและตลาดทันทีห้าพอเป็นที่ได้อาศัยผลสวนสารานั้นพอได้อาศัยสันจังหันที่ตลาดข้างล่างแล้วต่อมาจึงมีสัทธาจากที่ต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นที่เึืองการ น้องกายดอนพระขลักรและนครพนมพนขอนแก่นกลัดมาตลอดถึงกรุงเทพสมานนครและคนตลาดจต่าหนึ่งจึงได้ขยายสาราเรงฉันข้นางล่างให้วกว้างออกไปและได้ขยายสารตาั้นที่ห้าให้กว้างก อ, อ้าไปและอยู่มา ในยูมาการลำดับนับมาพันนับแต่พันษาสองพนห้ารอยสองได้ทาบันไดพันษาสอง3ันห้าร้อยสิบสามได้ทานรอบเก่าพันทิบห้าส่วนพันษาที่สิบสี่ที่สิบห้าคือพันาสองพันหาร้อยสิบสีห้าร้อยสิบห้าไม่ได้ทําสถาน ติดสานบน้นําอีกเพิ่มเพิ่มอีกพอส 2,516 ได้รื้อสะพานชั้นที่ห่าเพราะแต่ก่อนสะพานชั้นที่ห่านี้ทําไม่เสมอกันไม่ต่าไม่สูงกว่ากันแล้วก็รื้ยกขึ้นใหม่ให้สม่าเสมอกันก็ขยายออกให้กว้างกว่าเดิมทําให้แน่นหนาะกว่าเดิม เพิ่มไม้เขาเยิดเป็นสามส่วนทำอยู่สามเดือนจึงสำเร็จซ่อมแซมของเก่าและงบประมาณ 3, าที่เงินสามหมืนบาทวันสอง5ันห้าร้อยสิบเจ็ดเมายนปีันส 5, ิห้ า, าและก็ได้พาในาคณะ ทำการชั้นที่หกทำอยู่สามเดือนจึงสำเร็จสิ้นเงินประมาณสามหมืนห้าันบาทพอพรรษาพอตอสองพันห้าร้อยแปดได้ทำบันไดต่อจากลงสันข้างล่างถึงชั้นสี่สำเร็จ ทำดูสองเดือนกับสิบห้าวันชิ้นเงินประมาณสามแสนห้าพันบาทและสะพานทั้นที่สีนี่ทำปศกับพันหาร้อยแปดแต่ไม่ได้รอกเขาทำไปขึ้นเขานี่ทง 10, างทิปตะวันตกส่วนสะพานทั้นที่สีทางทิศตวั 10, นออกได้จ้างชาวบ้านเขาทำ สึ้นเงินประมาณ 20,000 บาททำดูองเดือนเต็สมสำเร็จต่อขึ้นจาก15ดังที่ปรากฏอยู่เดียวนี้พศ2519ได้ติดคนุนบุซึ่งเป็นเศสษบัตรจานแค็เตอร์เขาติดข้นเงิน 16,000 บาท และ <c oughs> เมื่อมาอยู่ครั้งแรกที่ท่านตินเขานั้นรู้แรงได้าญาติยมตัดทางจากภูทอกไปถึงบ้านดอนเสียรดรถเดินได้สบายเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเส้นทางทอยู่ในตัดทางรัดต่อจ น, นั้นญาติยม เขาสราบ้ากมนพระมาอยู่ทิ่สูทรญาติโยมจินต่างๆเขากอดยอยกันมาตั้งบ้านจนเป็นฝึกกันนั่นนะเรี่ยนี่งตสองร้อยกว่ารังคารเรียนแล้วมาอยู่เื่อแล้วกันหาญาติโมจาาวัดเพื่อได้อากาศให้ปอดโ บ้านนาคำแกนนี่มาตั้งกรวัดสองตีวัดมาตั้งขางหลังบ้านนาคำแกนมาตั้งปสสองพันห้ารอยวัดมาตั้งปสสองพันห้าร้อยสิบสองคนที่เข้ามาอยู่โดยมากเป็นคนจังหวัดกรุงเทพก็ไม่ขวัแกนก็ไม่ร้อยเอกก็ไม่ บนราชธานีสมัม่มีดอนก็ม่มีตะพลนครก็ม่มีมีคนหลายจังหวัดที่เข้ามาอยู่บ้านนาตํำแจงสมัยก่อน แ, วแถวแถบนี้ปู่หัวปู่สิงปู่ทอกแถบนี้เป็นป่าเป็นดงชุกไม่ตัดป่านานาจะนิดมาก ไม่ใสรใ น, นหมู่บ้านคนแต่ก่อนที่อยู่แถบนี้เป็นคนมาจากประเทศลาวโดยมากเป็นพวกเม่หรือเป็นพวกย่อเขาแต่ก่อนทุกตัวนี้ลาเนาเดิมเขาอยู่ประเทศลาวเขาข้ามมาอยู่เมืองไทยสมัยเมื่อฝรังเศสเามาต อ, น, อ, น, อนหล เมื่อพรังเตเข้ามาปกรองราเขาไม่ชอบลัทธิการปกรองของพรังเตเขาถึงอบยบครอบครัวข้ามบางข้าแม่น้นผองมาอยู่ปัตเตไปและลัทธิประเตมีเดิมของเขานั้นเป็นอย่างนี้สำหรับพวกเมื่อแต่ก่อนเ็าเรียกว่าราวกอดราวคุณ ทำว่าเราเกอดเราคุมนี่เขาถือกันจริงๆเธอหมายก็ว่าถ้าเราไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเดือนเขาถ้าต้องมีลูกสาวแล้วไม่กอดไม่คุมไม่จูกไม่ดมลูกสาวเขาไม่ได้เขาว่าผิดศีแต่จะทําอะไรไมาได้ได้ไดเพียงเกาะคุมดมจูบ เท่านั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาปรับไหมใส่โทษเพราะมันสิ้ถสุเขานี่นนก็เป็นนีลาวกอดแล้วกุมอ่ะของเขาที่นี่เมื่อเขาค้ามมาประเทศไทยในสมัยก่อนก่อ น, อนก็ยังมีอยู่แต่เดียวนี้ดูมันหายไปแล้วและพระเมนของเขานั้นรู้ไม่ได้หรอกเขาถืออะไร ก็ไม่ตัดเป็นตเสียงนุ่งผ้าเหลืองแล้วก็แล้วกันไปก็ถือว่าเป็นตัเป็นแนนเป่าวัดเป่าว่าเขาจะกินเ้ข้าคําเข่าแดงก็ไม่ว่าแต่โดยมากที่สังเกต ด, ดูชอบกินยาติดปวดแผลเนมนแล้วก็ฆ่ากันแทงค้องแขงกองกันเวลาสงการกรดน้ำกัน กับสึงตากอดกันกลุมกันเขาไม่ถืออะไรและถ้าเป็นวันพระเขาก็พากันไปหาพระเนื้อตามป่าหรือสารป่าชิงป่าตามห่วยตามหนองตามบึงีนกันหลักพวกพระเนในสมัยนั้นเขาไม่ถือกันเลยจากเงินบายทองขุดดึงฟันไม้ เขาไม่ bon ํำเนิดสืบพระยุนหนอย่างไรเลยและญาติโยมก็ไม่ถืบและแควนั้นแต่ก่อนเขาสืบสืกันว่าขาดูดูีใหม่เขาต้องเรียงสืกันแล้วไปยาวสืกันเตนที่ใจใหญ่ตหัวฐานเดียวซึ่งข้าไเจอเคยได้เห็นเขาอยู่เขาทำอยู่ นี่ลัทธิเดิมของเขาแต่เดี๋ยวนี้ดูมันหายไปหมดแล้วไม่มีเพราะทางเรินมันล้นไหลกันไปและทางค ม, มนาคมก็สะดวกไปแต่ก่อนไม่มีหนทางรถจาเดินไปหา ก, กันต้องเดินทางนั้น ไปอำเภอส่งนอนคืนนอนค้างทางเพงจะเห็นเองการศึกษาเราเรียนแทบนั้นไม่มีโรงเรียนเลยอยู่กันอย่างป่าปาดคนไม่รู้นั้นืออะไรเลยตอนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่เข้าไปถึงเพราะกันดานมากแต่สมัยนี้ทางคําว่านาคมเสร็การศึกษาเราเรียนทั่วถึงกันแล้ว และแต่ก่อนสมัยนั้นการเกิดไข้ได้ป่วยเธอไข้ป่ามากนักสุมนักคนตายกันเกือบหนึ่งไข้ป่ามากเรียวแต่สมัยนี้ดูรถปริมาณลงไปเกือบจะไม่มีจะแด้เพราะกางคมนาคมและการแสกสะดุดดีมากการอยู่ การจึงก็ะลำบากยากแสนมากสมัยนะั้นและการเดินไปมาหาสู่กันก็ลำบากนีบ้านอยมูมตรนั้นแต่สมัยนี้ ส, ส, สบายทั่วกรุงเทพก็ไปถึงไปได้อี่รถทัวรถเล็กรถใหญ่ก็ได้ไม่กัดข้องเลยทีเดียวเน่สมัย คีอขาธุจัอยู่ตงงมอดทองเวลาออกันตาต้องเดินสายเหน็ดดังนั้นเดินขึ้นไปปูัวผัวพ่เดินจากดงงมอดทองถึงปูสามคืนแล้วก็ไปเหน็ดที่ดงสีผัวเดินบางครั้งเดินจากดรงมอดทอง ไปจังหวัดเลยกา้าวถึงเดินจากจังหวัดเลยไปทุกตัวโลกไปเชียงใหม่ไปเดินไปเชียงกุ้งอย่างนี้แหละชีวิตของพระสุริยธรรมาะเป็นชีวิตที่ยากแสนลำเกินด้วยซ้ำต้องบุก ป, ปาผาดงดอน นอนตามป่าตามัมเขไนั่นแม้ทาหารการขดสันจะหอดจะหิวจะอดจะย า, ายกกดใช้สันติความอดทนออกแม้การเดินทางจะลำบากจากแพนกดใช้ความอดนอทอนออกิีรษะนาเรื่องของทุกขว่าเราเกิดมามันต้องทุกข ถ้าเรายังเกิดอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทุกข์อยู่อย่างนี้ทุกข์เพราะความลําบากยากแสนและทุกข์เพราะกันดานและการเดินไม่เท่ากันทุกข์เพราะความเออใจจะตายนี้มันไม่รู้แน้ทุกข์เพราะทาความชั่วความเสื่อหายทำบาปทำกรรมตัวตนให้ไปตกนรกไปเผาร้อนในมันแสลนี่จะทุกข์ทรมาน ที่เราเดินไปเที่ยวบำเพ็ญคุณงามความดีอาศัยสันติความอดทนนี้ชื่อว่าเราเดินเราทุกข์แตกายแตใจของเราไม่ทุกเพราะเราไม่ได้ทาความชั่วเราประกอบแต่คุณความดีนี้ก็สบายใจหน่อยถ้าเราไม่พ้นทุกคุณความดีที่เราใส่ตั้งใจบำเพ็ญไว้ด้วยความบริสุทธิ์ กายบริสุดวาจาและบริสุทธิ์ใจนี้ก็จะเป็นคติที่ดีเราจะได้ไปสู่สุกเมื่อเวลาตายแตมนุษย์ตกตวันขาธุฐานุกถ้ายังไม่ถึงปานิพานสมบัติผลความดีที่เราประกอบไว้ด้วยความตั้งใจก็จะเป็นอุปนิสัยติดต่อย่อยตามเรา ใ, ในรักความสุขความเจริญในกติกเจตสาเนาในปุ๊ต่างจนกว่าจะถึงขัฐานกําล ด, ดงนี่เมื่อคิดแล้วคิดขึ้นในทางการบําเพ็ญคุณกันดิใจก็ขึ้นบานไม่มีความทุขในใจส่วนซ้ายนั่นคิดกำดำระตํารําบากม่าชิลิโอเท้ากดเดียวขากดเดีย หนาวร้อนและหนาวสายสพัดแต่ที่สุสปรรมาณัางกา่เส่วนทางใจฝูพิจารณาเรื่องของทุกอย่นนางิจาณาประวัติของร พ, ะะ พ, พระพุทธเจ้าและพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านยิ่งแป็นผู่ที่นักเสียสระอย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครสุง และท่านก็เป็นกษัตริย์โดยธรรมชาติอิสุบุตทั้งเป็นกษัตริย์ที่สุขบุปาราชา่านละเอียดถึงสุดไม่มีกษัตริย์ใดในสมันั้นที่พัดเทียมเสมอหรือยิ่งกว่าท่านยังสามารถที่จะชาดพลังและสมบัติออกบรรพชาเทศ่อแล้วแสวงหาโมกตธรรม สเสด็จไปในที่ศีรษการพกสันหรือปัดใจศีล้วแต่จะมีจะเป็นการสเสด็จด้วยเท้าทางนั้นด้วยพระบาทพระองค์สังั้นเช่นเขานั่นลงเขานี่บางครั้งตามประวัติถึงกับท่านได้ทรมานอดอาหารอดรับอดนอน จนตลบตายไปถึงสามครั้งอย่างนี้ก็มีท่านก็ยังน่ส้ตัว ต, ต, ตัวเรานี่ไม่ถึงข่านเ่ไหนจะทอดสส่เราท่านเึ็นนับเสือสระจริงๆไม่เห็นแก่ความตายไม่เห็นแก่ชีวิตท่านจึง พ้นปัจจัยทุกได้เมื่อพิจารณาประวัติของพระพุธทธเจ้าผู้เป็นศากดาละ้ะเนสถึประวัติของผ่านก็ทําใจให้รุกขหนนเข้าหานและทุ่มชื่นหายจากความพ่อแท้ของใจในข้าทุกหรือความก่อแท้ก็มาครอบทำ ต้องพิตนาประวัติของพระพุติเจาให้เป็นที่ประทับใจเสมอเสมอและพิจารณาคาสอนของพระพุติจาท่านให้เป็นนักเสียสละในคำสอนบทหนึ่งท่านสอนว่าบุคคลสู้จะรักษาไวา้ซึ่งอะไรมาล้วนกะเจอซึ่งสละเสียซึ่งทรัพย์มัน เพราะทับย์ไม่ระเยงเหมือนอวัยวะข้อนี้ขออธิบายคําว่าอวัยวะคือร่างกายของเราเองถ้าร่างกายเรามีโรคกําเริบติดตา้ขึ้นสน่วนใดส่วนหนถ้าเราไม่ชนะทรัพย์มาพยาบาลร่างกายนั้นอาจจะทําให้โรคกําเริบติดตั้ เสียวัยวะพลางกายไปจำเป็นต้องละทับเพื่อมาพยาบาลอวัยวะส่วนนั้นให้ดีขึ้นเพราะทับไม่ก็เติดแต่วัยวะถ้าอวัยวะส่วนนั้นเสียก็ขาดความสุขความเจริญเท่านั้นเองอีกตอนที่สองว่า ถ้าคว่จะรักษาไว้ซึ่งชีวิตนันป่่งจะเสียซึ่งของสออย่างคืออวัยวะและทรัพย์นั้นสีเพราะอวัยวะและทรัพย์ไม่เป็เดดมชีดังนี้ข้อนี้อธิบ า, าว่าชีวิตเป็นของเดือดกว่าอวัยวะและทรัพย์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 ฉะนั้นอะไรวะส่วนที่เป็นโลกนั่นแหละไม่เป็นของเกิตรต้องละสีไม่เกริรเหมือนชีวิตเจงว่าผู้จะรับษาไว้ซึ่งชีวิตเพ่งละเฉลียวซึ่งของทั้งอยางเธออาวัยจวะและทรับน์นั้นสีบทที่สามว่าผู้รน้นจ ถึงดูเนืองๆซึ่งคำสอนของพระสมามามพุทธเจ้าอันเป็นของประเสริฐซึ่งตนะเสียซึ่งของสอย่างโดยชีวิตหนึ่งอวัยวะหนึ่งและศักเพราะของสองสามอย่างนั้นไม่ประเสริฐเป็นของไม่สิรังญญาณนี้แล้วก็เสื่อมซึ่งจุดสายตนักส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้พ้นทุกคนทัศเป็นของที่มีสระไม่มีแก่นฝังไม่เสื่อมไม่ทรงไม่สุกสายคือหมายก็ว่าผู้ถึงทำอันท้ทยจริงแล้วแ็นผู้ไม่เสื่อมไม่สุกหายไม่ม้่วหมอนนางนี่เมื่อมาที่เจ้านายคำสอนของพระเจ้านี้เลยใจก็ข้ามา ได้รับความเุรตติตุ่มซื่นเกิดสตางคความเสียใเกิดขันติความอดโนโทนคนเพียนใจก็สบายหายจากความเหน็ดกเหนื่อยหายจากความเดือดร้อนและความทุกข์น่านาประการฤทนะเดินผุดดงกมัมฐานไปในทนุไม่ใช่ว่าจะเดินเฉยๆและกามย้อนหรือจะนา พระสสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละท่านท่านละองละองค์ท่านปัจจุบัติเพื่อความ้นทุกข์จริงๆท่านไม่เห็นแต่ความยากความลำบากไม่เห็นแก่ชีวิตไม่หวงชีวิตท่านเห็นชีวิตเป็นของกว่าธรรมเห็นธรรมเป็นของไม่คุณค่ามีประดวกหาสารยิ่งกว่าชีวิตท่านจึงเป็นนักเสือสชนะ ภาะึกปฏิบัติไม่เห็นแต่ความเกลียดความฆ้าท่านไม่ทอดอยอยงยาประวัติสาวกองนั้นองเงีย้ยี้แต่ดดเด็กเดี่ยวหนักเสียสะแบบต่างนั้นแง่และพระสงฆ์กู้ท่านที่จะพ้นไปสากทุกจากความเดือดร้อนนั้นท่านโกเป็นผู้ปฏิบัติดืด แทนผู้ปฏิบัติ Omar. ตรงต่อค <sig> ําสอนของพระพุทธเจ้าแทนผู้ปฏิบัติเพ er. ื ID ่อความรู้ยิ่งเห็นสเพื่อออกไปจากทุกเพื่อความรู้ยิ่งเห็นเห็นอะไรเห็นทุกเห็นหมดเพื่อเห็นธรรมะที่เสื่อเห็นพ่อที่แบให้ถึงธรรมะที่แบบถ้านเป็นผู้ปฏิบัติชอบชอบตามทำคําสอน จิติบากใให้ตอบปัจจามาตอบใจมาตเมื่อท่านเป็นกูฏิจิิบัติอยู่ในลักษณะนี้ไม่พ่อคอยเจริไม่ลดละไม่เห็นแกชีวิตและลความสำบัตรผลที่สุดท่านก็ผลไปจากสุดจานาดเมื่อเรามาพิจารณา ดูอย่างนี้กท็ทำใจสะอาดในศาสนาเบิกบ า, านในความเพลินไม่มนันทันงทความทนทุเดียนี่แหละิ้มความพรปมะปากรรมสาอยากแสนลำเกนตักปันใดบางครั้งบางสมยัยเมื่อเดินป่าเดินดงรลง บนทางกลางป่ากลางดงนอนกลางป่ากลางดงเป็นมูตัดป่าไม่เป็นบางครั้งบางคราวบางองค์ถึงกับตายกลางป่าตรงนี้เคยเห็นกระดูกของพระกรรมฐานและปวห้ฐ า, านกรรมฐานจะตายจะตังอยู่บนหลังเขามีสมัยเรานี่แหละสมัยลักหลังนี่แหละ ท่านจะตายด้วยเหตุอะไรไม่ทราบเพราะว่าข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้คือหลวงปู่กองเวลานี้หลวงปู่กองก็มรณะมากแล้วท่านได้จะอยู่ร่วมข้าพเจ้าที่ดงวัดทองท่านได้เดินผดงไปปูเขาหลุมดูระหว่างจังหวัดเหนือ ท่านว่าเดินตูดงกไปลงทางไปเริ่มหมดเวลาไนอนอยู่กลางปุไปเติมเช้าก็เดินไปไปเปเห็นกองกระดุกเมื่อลองไปมาเห็นบาดเห็นสดนี่แต่ว่าขดและผา้านะั้นขาดหมดแล้วยังเหลือกจะไปเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็เลยอธิษฐาน ว่าขอให้รู้จักผลทางถ้ารู้จักผลทางจะม า, า, า, มาให้ญาติชมสตำบลอุทิศให้ท่านก็เลยเดินไปพอดีตัตสีทางฝนเดินเข้าบ้านท่านก็เลยเดินไปตามทางก็ถึงหู่บ้านขันถึงหมื่บ้านประกาศให้ญาติชมบ้านท่านก็้าญาติชมมา ไปทำบทุญคิดกองกระดูกนั่นเ ก, นก็บเงินกระดูดตามเดืนตามวันนั่นนี่แหละพระกรรมฐานต้องเอาชีวิตเสียงต่อความตายและท่านวงนั้นจะตายด้วยเหตุใดไม่ทราบไม่ในไส้ฟ้าะตายด้วยปดอาหารหรือทรมานอย่างใดไม่ในไส้ฟ้าดังนั้นในหลวงปู่กองเล่าให้ชาวประจานฟัง พระไหมที่ท้าพระเจ้ า, าอยู่ดองหมออทองท่านปรอยู่ส่วมด้วยในี๋นวนี้หวงพ่อ้องก็มรณะภาพไปแล้วจะเป็นจริงหรืออย่างไรท่านเลาให้ฟัง่ังนั้นวนท้าพระเจ้ า, ามาเห็นนี่แหละชีวิตของพระทุกดงสมสานมันแสนยากลำบากอย่างนี้แหละ แะ่ เ, เอค้าพระเจ้ามาอยู่คุทอบนี้ตอดเดือวกันยากมากลา บ, บากมากการสร้างคุชชอกตาสาพานต้องเทียงต่อวามตายจริงๆทีเดียถ้าไม่เป็นสุ้ก้าหารหรือรอบครอบแล้วมันก็ไม่พ้นอันตรายต่องเสียชีวิตกันหมดไม่เหลือแล้วดันงนั้น อยอนเป่า้นณดังที่มาอยู่กู้ท่มาอยู่กู้ท่เริ่มแรกพอ2อสองพันห้าร้สิบสองเป็นพษาที่ยี่สิบเจ็ดเป็นต้นมาแล้วก็ได้ตัดปรุงจึงที่สัดป่องเป็นลำดับลาดับมาดังที่ได้พากัน ดูกันเห็นดูนั่นแหละต่อมาก็มีตามตามตาม่วประเทศไทยก็ว่าได้ผู้มาเห็นแล้วก็เสนอ <c oughs> กันไปไเรื่อยๆแต่ปจะ ย, ย่อยกันไปสมพูทอบเรื่อยๆที่ไหนขัดข้องตามวัดก็จัดให้สะดวกตามสถานะตามสามารถ เช่นน้ำไม่สะดวกทางวัดเ ก, กันติดนมติดพนมว้สหลายแห่งน้ำใสน้ำฉันไม่สะดวกช่วมทายหรือช่วมน้ำห้องอาบน้ำไม่สะดวกพ็พยายามปรปับปรุงเพื่อต้อนรับแก่ตั้นผูกไปเยือนและพอจะได้ปรปับปรุงพัฒนาไป เ, เรื่อยๆเมื่อตกฝนต่อ ส5 2 0ันห้าร้อยยี่สิบก็ได้สับทรุงทางทำทางไปน้ำตกแสแนนปัวเป็นน้ำตกที่สวยมากและก็มีสระน้ำมีอ่างน้ำใหญ่ๆลึกๆมีสัตว์น้ำมีปลามีจระเข้และมีสัตว์ปาเวลานี้ได้ส ม, มน์เป็นที่ตัตตา รือสงวนป่าไม้และพันตัดและได้สงวนเป็นวนัฒนคุทยานแห่งชาติสำหรับสงวนป่าไม้และตัดป่าไวา้ที่พูวายังมีตัดป่าอยู่มากเช่นค้างและเสือความหรือเช่งหมูนี้ตัดเล็กพวกนกยุงกระต่ายกระแตรอกมือ ถ้าท่านไม่โอกาสก็เดินใปเคี่ยวชมดูเพื่อเป็นที่ย้อนอารมณ์บนหลังุงว่ารอดวุ่นสลอทสงเดินใจสบายกว้างขวางมากนี้ที่จาอากาศนี้ที่ย้อนใจตามประรานเห็นเดินท่านไปครับท่นย้อนอารมณ์หนีความทุกข์ีวุ่นวายกันบ้าง บางครั้งบางเวลาก็ดีที่ผู้ว่ามีสันักไว้ที่สักก่อนสามแห่งคือหนึ่งทัมบูชาของทัมพระที่หลวงปู่สันอาจาโฮได้ไปปรับปุงตั้งแต่พศออ2493อันนั้นก็เป็นสถานที่ปอดโรงและร่มรื่น มีน้ำอุดมสมบุณดีมีที่วยืวกพักผ่อนย่อนจิตใจร้ายแห่งในธรรมะมีพรานหินมีร่มไม้และมีตัดปาตัดน้ำตัดบกที่ทมบูชาก็มีพารานหินกว้างๆมีน้ำตกและมีตัดปามีต้นให้ตันสมทมบูชาเริ่ม ปรับปรุงแต่พอต่อ 2,500.06 เป็นต้นมาไม่เคยขาดพรกมีพักประจําอันตรายอยู่ทุกพุตธีที่น้ําตกคะแนนในริเริ่มปรับปรุงมาตั้งแต่พอต่อ 2,508 เป็นต้นมาพอต่อ 2,520 ได้ตัด ขนทางเข้าไปสูตามตกตะแนนตัดเข้าไปถึงสะพานหินธรรมชาติอาศาเราเรียกว่าราวหินเป็นราวแล้วก็เป็นสะพานข้ามน้ำตะแนนน้ำไหลรอดขึ้นเป็นเหวลึกและที่เหนือสะพานหินก็มีทํานกหินตั้นน้ำไว้ แป็นอามเป็นตะลึกมีจระเข้ใต่สะพานหินก็เป็นตะมีจระเข้มีถ้ำสวยงามมากน่าเล่นไต่สะพานหินสะพารหินธรรมชาตินี้รถเดินได้สะดวกสบายรถสนิดไหนก็ได้ <c oughs> มือธรรมชาติให้ท่านสมเดี๋ยวจะสม ธรรมชาติสะพานเห็นป่าชมลื่นเล่มน้ำสมป่าสมน้ำตก็ได้าห่างจากผู้ทอบจุดสองกิโลรถเดินได้สบายไม่ขัดต้องเปลนผู้ทอบนี้เป็นที่ยอนใจดีมากเที่ยวรอบรอบสะพาน สะพานฟูทอกมีสามชั้นคือชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดเป็นยอดบนมีปา่าทึบและตกมาอศสสองพันห้าร้อยยี่ทิเอ็ดจะได้ทำสิดถนธเป็นถนนเป็นเศวตด้วยไปสู่ฟูทอกใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเขาเรียกว่า ปุกแกจมจัลัดหางจากภูรอบน้อยประมาณไม่ถึงกิโลราวยี่สิบเนเท่านั้น้าทาถนนหรือานบเสร็จแล้วเราก็ไปดูู่แจมจััสได้พระไปดูทัพพิเวดได้เป็นสบาทตระไสคือสงบสงัดเลยมากมีซ้ำเยอะแยะ รอบภูและหลังบนหลังเขาก็มีทัาเยอะและจะมีบอ่อน้ำหินที่อยู่บนหลังเขาอีกการทำถนนนี่มีประโยชน์หนึ่งเป็นการทำถนนเขา้าหูแจมจัดให้รถเลินได้วางหินลูกกลมสองทำเป็นรั่วเขตวัดสาม ทำเป็นพนุป ก, กันน้ำใบไผ่บริบุรได้เหมาให้็บแท็กอร์เขาทําเขาเอาค่ารับเหมาหนึ่งแสนห้ามืนบาทบรรดาประชาชนทั้งหลายเมื่อได้ยินข่าวก็พากันนีตัดขาขยอยกันมาเชื่อยสร้าง สำนับน้านและถนนและั ว, วัดขึ้นตูผู้แกนตรัสอือผู้ทอดใหญ่นันเองจะสร้างสำนับตรงเป็นวิปัสสนาผู้ต้องการความสงบสงัดเด็ดเดียวจริงจังต้องไปอยู่ที่นั้นภาว น, นาํำคมภาพคมเขียนที่นั้นมาดีนักไม่ร่มไม้ รื่นรื้นดีอาตาสบายอ่าต่อไปถ้ามันสะดวกมันสบายก็จะทำสะพานรอบปูทอกใหญ่อีกแต่คิดว่าจะทำชั้นเดียวชั้นที่มีค้ำรอบๆเท่านั้นนี้เป็นแต่คิดโงการไว ในอนาคตไปถ้าตายแล้วก็แล้วไปผู้ที่เขายังอยู่ในโลกเขาก็คงจะํำริและต่อส้านต่อไปมาอยู่ภูทอบนี้สบายนักอากาศปลอดภูมิังฤ ด, ดูแดงฤดูฝน ด, ดูร้อนมีที่ึบหนาว หลบกานกลบผลได้ทุกเวลานี่ที่พักคอนยรอนอารมณ์หลอรๆผู้เขาทีเดยงทานผู้ไม่เห็นก็เติมก็ดูที่ไปพักค่อนยรอนจิดใจให้เบิกบานสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนี่จากความทุกทีตีมงจากบ้านจากเมืองบ้างที่ ตนเราเกิดมาถ้าไม่ทำประโยชน์มันก็ไม่ใสมนุษย์เขาเรียกว่ามานุษย์พระพุทธเจ้าท่านให้ทำประโยชน์ทั้งสามประการือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายภาต่ประโยชน์อย่างเยิ่งเอพระนิทานให้ไปพร้อมกับชีวิตที่ยันงป็น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 เป็นประโยชน์แก่โลกย่าเป็นคนทำลายโลกความโลกญย่าจัะประโยชน์ประโยชน์ญ่าติดสีส่น้องเือสงเพราะหึตึงกันด้กันอันมนุษย์เราเกิดมาร่วมชาตริร่วมศาสนาร่วมพระมห า, าสั์อันเดียวกันต้องเป็นญาติสิตรเสียหายกันทั้งสิ้น ต้มีการสมเคร็จบำรุงซึ่งกันและกันโดยกายสมเค็จปัจจาสงเค็จกายสงเคร็จมีการแบ่งกันปั น, นส่วนซึ่งกันและกันมีความเห็นพร้มเทียงกันมีทิฏฐิเสมอกันมีความสันติปองดองกันไม่แตกแยกกันรักษา ศาสนาประพงบำเพ็ญศีลาสนาพรำมหาตีลของตนอย่าไปคิดข้นและตทำลายศาสนาพระมหาศีลมันเป็นสิ่งที่อภรีเห็นของไม่ดีความขนทั่วความเสียหายเห็นบาปเห็นกรรมเห็นโทษแก่ตนอัตถประโยชน์ ไห้ทำประโยชน์แต่ตนเช่นใดที่เป็นประโยชน์แต่ตนก็ทำเึิ่มเทิบาปมันเป็นโทษมันมีโทษมันไม่มีประโยชน์ทำแล้วมันเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นไข่เป็นอันตรายคุณความดีบุนกุศลมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ตึงพากันมันบำเพ็นกระทำเพิ่มเช่นใดที่ผิ กฎหมายบ้านเมืองและถิ่นทร่ทตามพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์เลิกและดีเวนยาป่นลำดิษฐิเลิกเกินมันเป็นโทษมันทำลายประโยชน์ของชาติของศาสนาของพระมหาสัจระพื้นตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหาสัจจะเอทำตน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 ดว้วยความมันในฐานคุกอย่ า, าพากันเป็นคนดูรุราไร้ใจายตับไม่เป็นประโยชน์ถึงพากันเป่นแช้นสารดื่มน้ำเมาเหล้าสันสายยาสินเอโรยินอันเต็นที่ตั้งแห่งสมามพม่าตะเมืองเป็นเหตุเิตหายแห่งปกสมบัติเหล่านี้ถึงพากันดีและเลิกแล่นอย่าพากันทำขึ้น การเคทื่อวกางคืนในตลาดมืดให้พิษเดรัจงเงินหรือเที่ยวว่าซัดในป่าในลงในกลางคืนอันนี้ก็เป็นเหตุทิบหายแห่งปกสมบัติถึงาพากันเลิกละดีแค่นย่าพาการสรรเสริญเงินงอหรือมิจยมเที่ยวดูการเล่นต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหตุทิศหายแห่งปกสมบัติ ถึงภากันรละเคื่เาสดนแรนตอบการเดินปนันทุกประเทศเอ็นอันเป็นที่ตั้งแห่งความสมบัติตึงเนืองเรานี้ก็เป็นเหตุทุกหายแห่งโภคสมบัติถึงพากันดีแ้นยาพากันนิยมสมทอบพบคนชั่วเป็นมิตรเรานี้แต่ลรล้วนแล้ว เป็นเหตุทํา ม, มาแห่งเครื่องทิพหายของโทคสมบัติบางเส้นเป็นผลเสียวข้านหรือประกอบความเสียวขานไม่ยนื่องเนเรานี้ก็เป็นเหตุทิพหายแห่งโภคสมบัติด้วยการงานเป็นพากันเด็แเล่นให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ถกอย่าพากันประกอบหรือเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด มันไม่ดีเป็นบาทเป็นโทษถึงพบพิตที่ดีพบเพื่อนที่ดีอย่าพบคนขี้เมตพบแต่คนที่คือสัตว์สุจริตไม่เลียกตาอารี๋และมักีความลองซึ่งสันกันนี้คือประโยชน์ปัจจุบันในชีวิตที่เป็นอยู่เพิ่งพากัรฝึกปฏิบัติจะทำขึ้นถ้าเรา เป็นผู้พัฒนาได้ความสุขความเจริญยากได้รับประโยชน์อยกได้รับคุณอ้อมปฏิบัติขึ้นเอาสิประโยชน์ขายภาพหน้าเรานับแตตายตายแต่แล้วต้อง ม, มีคติเพราะยังมีกรรมทานจึงให้บำเพ็ญประโยชน์ไว้สำหรับเป็นที่ตึงของเราเมื่อตายไป แต่เราไม่บำเพ็ญประโยชน์ไว้พันก็เป็นคนตายทุกตายยากตายลำบากตายหอดตายเหิวตายกอดตายคุมตายคุมตายขังตายอดตายยากตายไปก็เป็นทุกเป็นยากขอตนไม่เลยบำเพ็ญประโยชน์ไปในสายพากหน้าประโยชน์สายพากหน้าคือให้หนึ่งทัาความเพื่อความเื่อมใสในสมุทต์ประตามประสอง ในทานติมภาวนาในบุญเชื่อในบุญในบาปถึระลรักษาสิ่งเว้นสิ่งที่เป็นบาปกัดแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลพึงฆากันเป็นนักเสือระบดมเป็นทานการกุศลสมเคราะห์ซึ่งกันและกันอ า, นาสนะกุศล่วด ท, ทั่วไปดีพึงฆ่ากันมันสะดับ รับฟังคำสอนของพระสัมม า, ามสัมพุทธเจ้าแคือปัญญารอบรู้ในบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เห็นชนาสัมผัสร่างกายทุ่ตนให้เห็นเป็นของเทียงเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นของใช่ตอนเลือและพระเดียวเดียวมันก็ล่วงโดนตายไปดับไปหายไปไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ อีกสทบตัวขเราก็มีแต่บาปกับบุญเท่านั้นนั้นท่านจึงให้เกิดบาปบำเป็นบุญเราทำบาปเกิดมาตายไปเราไปสู่ปกติมนรกแ์เปรตสุกายตเดในฌานาเราทำบุญให้การรักษาสืิเจริญภาวนาอยู่ตายไปเราก็ไปสู่สุขติมนุสสุสวันสุขฌานโุขนีน้จะได้ตาย า, มมา่หน้า รอจางจริง่งเอ่พันธุพา น, นธิ์พานธระดับจิเรตความโลภความโกรธกำลงังจะให้ในทว่ใจของเร า, า, เ, า, เ, ร า, าเราดับดับจิเรตราคะโสตมาเราหนีหมดแล้วก็อถึงพันธุพานเท่านั้นไม่มีความสงสัยเลยดังนั้นพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว ยาปล่อยชีวิตของตนให้ร่วมเดยจากประโยชน์สาวพราวอดมาต้องทำประโยชน์เป็เป็นมนุษย์จะทำถ้าไม่ทำประโยชน์เหล่านี้เขาไม่เรียกว่ามนุษย์เขาเรียกว่ามารมนักดีร้ายชั้นไม่มีศรณะธาไม่มีที่เทิงตายไปกดทุกข์อยากความฟ้องตายทุกตายได สายลาบากไม่ทำกุงามความดีไว้สายอดสายอยากต้นเหม่ยบำเต็นทานไร้สายอดสายคุมสายผมสายขำสายมีมีเต็นสายมีโทษมีขากันเข้าใจทางนี้ล่ะนี่เป็นม่วนถือหกขอุติแต่เจ็นนี่ขอ